บทที่90พระอุตระหลวงพ่อครับผมจดลงในกระดาษแล้วครับตั้งนโมสามจบนโมในที่นี้หมายถึงนโมตัสสะพระควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะครับต้นพระครูทวงคถาบูชาหลวงปู่เทพโลกอุดรจากหลวงพ่อกเกษมเอาละ่ะเมื่อตั้งนโมสามจบแล้ว ก็จดตัวคถาซึ่งมีอยู่เจ็ดคถาด้วยกันผมจะบอกช้าๆคุณจะได้จดทันแล้วท่านจึงบอกให้ท่านพระครูจดลงในกระดาษดังนี้โยอริโยมหาเทโรอรหังอภพิญญาทโรปฏิสัมพิทัพปัตโตวะเตวิชโชพุทธะสาวโกพหูเมตตาทิวาสโนมหาเทรา นุสาสโกอมตันเยวะสุจีวติอภินันทีคู่หาวะนังโสโลกุตโรนามโมอมเหหิอภิภูชิโตอิทะทานูปมาคมมะกุสเลโนนิโยชเยปุตตะเมวะปิยังเทสิมัคคพลังวะเทสติมรามะเสรีลิกธาตุวชัชรัญจาปิวาตินัง โสโลเกจะอุปนโนเอเกเนวะหิตังกโรอายังโนโขปุญญาลาโภอปมัตโตพระเวตัโพสาธุกันตังอนุกะริสามะยังวเรนะสุภาสิตังโลกุตตโรจะมหาเทโรเทวตานาระปูชิโตโลกุตตระคุณางเอตังเอหังวันทามิตังสทา มหาเถรานุภาเวนะสุขขังสดทิพวันตุเมดีมากจดได้ไม่ขาดตกบกพร่องเลยคุณอ่านแล้วเชื่อเหมือนที่ผมเชื่อหรือเปล่าว่าหลวงปู่เทพโลกอุดรคือพระอุตระที่มาเผยแผ่พระศาสนาอย่างดินแดนสุวรรณภูมิกับพระโสนะผมเชื่อตั้งแต่ที่ยังไม่ได้อ่านนะครับหลวงพ่อทตว่าไม่มั่นใจสักเท่าไหร่ พอผมเดินทุดงกับท่านได้ใกล้ชิดท่านยิ่งรู้สึกว่าท่านมีอะไรล้าอย่างที่ไม่เหมือนคนธรรมดาผมไม่เคยเห็นท่านชั้นพัฒหารเห็นแต่บาทของท่านก็เลยคิดว่าท่านต้องเป็นพระอุตระก่อนหน้านี้คุณได้รับรู้เรื่องราวของท่านหรือครับตอนผมบวชใหม่ๆผมเคยไปพบท่านที่จังหวัดขอนแก่น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 ปั จ, จตังดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ใครประพฤติใครปฏิบัติก็สามารถรู้ได้เฉพาะตนเรื่องอย่างนี้ทั้งคุณทั้งผมก็ทราบกันดีอยู่แล้วแต่ต่อไปในอนาคตพระสมองเจ้าเขาจะไม่นิยมปฏิบัติกันไม่อบรมกายไม่อบรมจิตเขาก็เลยเข้าไม่ถึงธรรมยิ่งไปกว่านั้นเขายังไปติดวัตถุลงไหลในลาบสการะ เมื่อเป็นเช่นนี้เขาเองก็ไม่เข้าถึงจุดหมายของชีวิตแล้วก็ไม่สามารถนำประชาชนเข้าถึงได้เรียกว่าไม่ได้ทั้งอัตหิตตสมบัติและประหิตธสมบัติแล้วก็เลยพากันเวียนว่ายวกวนอยู่ในสงสารสาครไม่มีวันถึงฝั่งได้หลวงพ่อครับผมอยากทราบคำแปล คาถาบูชาหลวงปู่เทพลวกอุดรครับหลวงพ่อจะกรุณาแปลให้ผมฟังได้หรือเปล่าครับผู้อ่อนวัยกว่ายัางสนใจเรื่องคาถาได้สิถ้าเป็นแต่ก่อนผมคงแปลไม่ได้เพราะไม่เคยเรียนแต่หลังจากที่บรรลุธรรม พ้นอ่านออกแปรได้พูดได้ตั้งเจ็ดภาษาผมเองก็อธิบายไม่ได้ว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นมันเป็นประสบการณ์เฉพาะตัวอย่างนี้เองพระพุทธองค์จึงตรัสสอนว่าธรรมะเป็นปัจจตังเวทีตับโพวินยูหิสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนผมได้ประจักษ์ในความอัศจรรย์ของธรรมะด้วยตัวเองแล้ว คุณก็คงได้ประจักษ์ด้วยตนเองแล้วเช่นกันมิฉะนั้นคงเข้ามานั่งตรงนี้ไม่ได้จริงไหมจริงครับผมต้องขออภัยที่เข้ามาโดยที่ลูกศิษย์หลวงพ่อไม่เห็นผมต้องการสนทนากับหลวงพ่อโดยไม่มีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะถ้าไม่มีประสบการณ์แบบเดียวกันก็จะคิดว่าผมกับหลวงพ่อเพี้ยน คนสมัยนี้เขาตัดสินกันง่ายๆนะอะไรที่เขาทำไม่ได้อย่างเราเขาก็คงจะลงความเห็นว่าเราเพี้ยนจริงของคุณถ้าเข้ามานั่งฟังอยู่ด้วยจะต้องคิดว่าเราสงคนเพี้ยนอย่างแน่นอนเอาล่ะคุณอยากรู้คำแปลของคาถาบูชาหลวงปู่เทพโลกอุดรผมก็จะแปลให้ฟังแปลโดยอัฏถะนะถ้าแปลโดยพยัญชนะผมคงไม่ถนัด ก็อย่างที่บอกแล้วว่าผมไม่ได้เรียนมาเท่าที่สามารถแปลโดยอัฐได้ก็นับว่าอัศจรรย์แล้วผมจะแปลทีละสองวรรคนะและท่านจงแปลโดยความและท่านพระครูก็จดบันทึกไว้ทุกถ้อยคำขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลตรัสรู้ได้โดยพระองค์เองสามครั้ง พระมหาเถระผู้เป็นอริยเจ้าองค์ใดเป็นพระอาหารหันต์ผู้ทรงอภิญญาบรรลุปฏิสัมพิธาพุทธสาวกผู้ได้วิชาสามมีเมตตาต่อคนทั้งหลายทั้งวิหารธรรมพระมหาเถระผู้ชำนาญในการสั่งสอนดำรงชีวิตอมตะยินดีในการอยู่ป่าคือท่าพระมหาเถระองค์นั้นมีนามว่าอุตระ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 คงไม่เหมือนกระมงังผมว่าสิ่งที่เกิดกับผมคงไม่เหมือนกับใครในโลกเรื่องประสบการณ์ทางจิตนั้นผมว่าคนหนึ่งก็เป็นแบบหนึ่งสิบคนก็สิบแบบไม่เช่นั้นจะมีพระสาวกที่เป็นเอตัทัคคะเกิดขึ้นในโลกหรือจริงดังที่หลวงพ่อพูดโบราณท่านจึงว่าไผ่ต่างปล้องพี่น้องต่างใจไม่ไผ่ลาเดียวกัน แต่ละปล้องยังสั้นยาวไม่เท่ากันพี่น้องครานตามกันมายังต่างจิตต่างใจกันผมลืมนึกถึงข้อนี้นิมนต์หลวงพ่อเล่าต่อเถอะครับหลวงพ่อเกษมจึงตั้งต้นเล่าว่าการบรรลุธรรมต้องเอาชีวิตเข้าแลกเลยนะท่านพระครูเราต้องยอมตายจึงจะได้ธรรมะผมจึงเห็นด้วยกับคำกล่าวที่ว่ามรคนิพพาน อยู่เลยความตายไปนิดเดียวครับหลวงพ่อข้อนี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งตอนผมปฏิบัติอยู่ที่ป่าดงพญาเยน็นผมก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าผมยอมตายแล้วก็เกือบตายจริงๆแต่พวกที่ผ่านความตายไปได้มันโล่งไปหมดสุขจนพรนธนาไม่ถูกทำให้ผมระลึกถึงพระพุทธวจนะ นัตติสันติปาลังสุขขังสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีหลังจากผ่านความเป็นความตายมาได้ก็พบกับความสุขที่เป็นอมตะผมว่าคุ้มนะครับนั่นสิแต่เชื่อไหมว่าที่คุณกับผมประสบก็ยังไม่หนักหนาสาหัสเท่ากับพระชนะเถระกับพระโคทิกะเถระเพราะพระเถระสององค์นี้ ท่านถึงกับใช้มีดโกนเชือดคอของท่านเองเพื่อแลกกับการบรรลุอรหันตผลหรอครับเรื่องราวเป็นอย่างไรหรอกครับหลวงพ่อการุณาเล่าให้ผมฟังเพื่อประดับความรู้ได้เถิดครับผมยังอ่อนเรื่องปริยัตผมเองก็ไม่เก่งไม่เก่งกาดเรื่องปริยัติหลอกท่านพระครูแต่ก็ไม่รู้เป็นยังไงหลังจากที่ผมได้บรรลุธรรม ผมก็เก่งปริยัต์จนตัวเองก็แปลกใจนี่เป็นการบ้านที่คุณต้องทำส่งหลวงปู่เทพ อ, ดอุดรช่วยสืบหาสาเหตุหน่อยเถอะว่าทำไมผมถึงเป็นเช่นนี้ครับผมจะพยายามทำการบ้านข้อนี้ให้เสร็จขอความกรุณาหลวงพ่อเล่าเรื่องพระฉันนาเถระกับพระโคติกะเทระเถอะครับเห็นท่านพระครูอยากฟัง หลวงพ่อเกษมจึงเล่าเรื่องมีอยู่ว่าพระโคติกาเทระท่านเพียรพยายามในการปฏิบัติวิปัสนาเพื่อให้บรรลุอรหัตผลขณะนั่งปฏิบัติอยู่เมื่อวิปัสนาญาณเกิดขึ้นจนจะบรรลุแต่แล้วก็กลับลดลงขึ้นแล้วก็ลดลงเป็นอย่างนี้ถึงหกครั้งท่านจึงคิดหาวิธีที่จะทาให้ญาณไม่ลด จึงถือมีดโกนไว้ในมือพอครั้งที่เจ็ขณะยานขึ้นสูงสุดท่านก็ใช้มีดโกนเชือดคอท่านเองซึ่งก็ได้ปรากฏว่าท่านบรรลุอรหัตตมรรคอรหัตตผลตอนลมหายใจเฮือกสุดท้ายหลังจากที่ท่านกระทำอัตวินิบาตกรรมพระพุทธองค์เสด็จมาแล้วก็สมงพยากรณ์ว่า พระโคทิกะเทระบัลลุอมัตตาธรรมขณะสิ้นใจพอดีกรณีของพระชนะเถระก็คล้ายๆกันในอัตถกถาพนานาไว้ว่ า, วาขณะที่ท่านกําลังจะสิ้นลมก็เกิดความสังเวทใจว่าท่านยังไม่ได้เป็นพระอริยะเป็นเพียงพระปุุชนเท่านั้นเองแล้วท่านก็ใช้ความสังเวทใจมาเป็นอารมณ์กรรมฐาน เจริญวิปาาัสนาญาณและบรรลุอรหัตมรักอรหัตผลตอนขาดใจพอดีถ้าพระเทวะทั้งสองไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์คงต้องไปตกนรกนะครับเพราะตายขณะที่จิตเศร้าหมองท่านพระครูลงความเห็นนั่นจิ ผมว่าท่านเสียงมากเกินไปโชคดีที่บรรลุไม่เะนั้นต้องเป็นอย่างที่คุณว่ามาพระชนน์นาเถระเป็นองค์เดียวกับพระชนน์นะที่เคยเป็นคนสนิทของเจ้าชายสิทธัตถะหรือเปล่าครับคนละองค์องค์หลังท่านดือ้อว่านอนสอนยากเรียกว่าขาดโสวะจัดสตาอันเป็นมงคลข้อที่28ในมงคล38ข้อ พระพุทธองค์มีรับสั่งให้ลงพระมณฑนแก่พระชนะตอนหลังท่านจึงรู้สึกสำนึกและก็เดินทางรอนแรมไปหาครูบาอาจารย์ให้สอนแต่เพราะความดื้อรั้นและทรนงของท่านก็ทำให้มีมีใครอยากสอนหรืออยากเสวนาด้วยในที่สุดท่านเดินทางไปถึงเมืองโกสัมพีแล้วก็ได้พบกับพระ อ, อนุนซึ่งพำนักอยู่ที่โคสิตาราม พระ อ, อนนท่านมีอธัธยาศัยเอื้อเฟื้อชอบช่วยเหลือผู้อื่นจึงยอมสอนให้พระตอนนั้นท่านก็บรลุอรหัตผลแล้วคุณรู้ไหมพระ อ, อนนท่านบรลลุอรหัตผลตั้งแต่เมื่อไหร่ผู้เล่าถามผู้ฟังหลังพุทธปรินิพานสามเดือนครับถูกแล้วพระชนนะดื้อดึงมีทิฏฐิมานะมากจึงไม่สามารถบรลลุอรหัตผล ในช่วงที่พระพุทธองค์ทรงดำรงพระชนชีพอยู่ต่อเมื่อมาพบกัลยาณมิตรคือพระอานนท์ท่านจึงสามารถบรรลุธรรมสูงสุดได้หลังจากที่ปรับปรุงตัวเองเสียใหม่คุณเห็นหรือยังว่าโซวะจัตสตานั้นมีความสำคัญมากผู้ที่จะบรรลุอมตะธรรมจะต้องเป็นคนว่านอนสอนง่ายครับหลวงพ่อผมเห็นแล้ว ทีนี้ก็ขอนิมนต์หลวงพ่อเล่าประสบการณ์บรรลุธรรมของหลวงพ่อเถิดครับก็อย่างที่พูดมานั่นแหละว่าจะต้องเอาชีวิตเข้าแลกแต่ก่อนอื่นผมขอถามขอถามคุณก่อนว่าอะไรหนักในโลกนี่เป็นคำถามที่พระพุทธองค์ทรงใช้บ่อยที่สุดผมขอตอบว่าขันห้าหนักในโลกครับและผมก็มีประสบการณ์มาแล้ว ตอนปฏิบัติอยู่ในป่าดงพญาเยน็นขนาดเปลือกตาของผมยังหนักจนลือมไม่ขึ้นรู้สึกเหมือนถูกหินทับไว้ถูกแล้วผมกำลังจะบอกคุณว่าตอนที่สภาวธรรมขึ้นสูงนั้นศีรษะของผมหนักราวกับภูเขาสักสิบลูกมาทับไว้มันหนักแล้วก็เจ็บปวดรว่ดราวราวกับจะระเบิดผมก็ท่องในใจว่าอดทนหนออดทนหนอ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 พุ่งออกมาจากศรีรษะผมเห็นในนิมิตนะครับไม่ได้เห็นด้วยตาพอสายรุ้งพุ่งออกมาผมก็เย็นซาบซานไปทั้งสารพรางจิตบอกว่าผมบรรลุอมตะธรรมแล้วจิตบอกอย่างนี้แต่ปัญญาผมบอกว่าผมได้บรรลุปฏิสัมพิทาสี่ได้แก่อัธาปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในอัถ ธรรมปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในธรรมนิรุตติปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในนิรุตติปริชาแจ้งในภาษารู้ศับถ้อยคำบัญญัติและภาษาต่างๆปฏิพานปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในปฏิพานปัญญาบอกผมอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นผมก็ทดสอบตัวเอง โดยให้ทหารเรือที่เขาพูดได้หลายๆภาษามาพูดกับผมคุณเชื่อไหมเขาพูดภาษาอังกฤษมาผมเข้าใจและผมพูดกับเขาได้ภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันภาษาอิตาเลียนภาษาจีนภาษาโปรตุเกสภาษาฮินดีรวมทั้งสิ้นเจ็ดภาษาไม่รวมภาษาไทยที่ผมพูดได้อยู่แล้วมันก็น่าแปลกนะครับ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 ธรรมที่ท่านนำมาสนทนากันนั้นไม่ใช่โลกิยธรรมหากเป็นโลกุตระธรรม